กุฑาสวดีค่ะต้องฟังที่ครบ FM 106 แล้วก็ อยู่เป็นประจําทุกวันในวันนี้ก็ได้เวลาที่จะไปพบท่านอีกแล้วเข้าเวลาเข้ารายการเร็วๆเพราะ เจดีย์ให้เป็นทองคําไปหุ้มยอดค่ะถึงตอนๆวุบๆหา น่ะเห็นพวงสัตว์ไปต้องไปทางนี้ไปทาง 8 ทํายังไงต่อพอหลังจาก แต่ถ้ารู้สิ่งที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญแล้ว นะเหมือนกับบัวดอกบัวในในในหนองน้ําเนี่ย นะพ่อเห็นอย่างนี้แล้วนะก็เลยรับรองกับ 3 มฤพรมนะคือตอนนั้น ประตูเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่า เอ่อมรรคมีองค์ 8 นะแล้วก็สัตว์แล้วได้มีสรดประสาทสรดประสาทใน คนหูหนวกอาจจะฟังทําได้มั้ยก็ไม่แน่ใจ นะก็รู้ได้ด้วยอายตนะทางหูภายในของเขาได้อ่ะกรรมตรงนี้นะพอ นะตานั้นเนี่ยนั่งอยู่ที่เดิมนี่แหละใต้ต้นไส้เนี่ยนะก็มีความรู้ นะ, 4 นะพอพูด นะพระพุทธเจ้าก็อยู่คนเดียวไปแล้วแล้วก็เอ่อพอมีความปริวิตกตกขึ้นมาว่า 4 ละนะสติปัฏฐาน นะ, นะ, 3 นะ 3 ก็มาอนุโมทนาว่าโอ๊ยนี่ถูกแล้วถูกแล้วนะสติปัฏฐาน 4 นี่แหละพระพุทธเจ้าองค์ เอ่อก็คือสรุปว่าสรรเรื่องสติปัฏฐาน 4 อ่าประเด็นที่พูดถึงว่าประตูสุญนิพพานอัมเปนะมตะประตูสุญนิพพานอัมเปนะมตะเนี่ยบางทีเนี่ยสมมุติว่าเรานั่ง เหี้ยทำไมฉันไม่เห็นประตูอ่ะคือคือทำไมไม่เห็นประตูจัง hey, นะที่พูดถึงในคุณธรรมตรงนี้คุณมีแล้วแต่คุณยังเห็นยังไม่เห็นคุณยัง <Okay. S 1> ต่อให้เห็นพระบูชาต่อให้ได้ยินคําสั่งพระบูชา 2 ก็คือถึงแม้จะไม่เห็น 3 ก็คือต้อง แล้วก็ต้องได้ฟังธรรมของพระเจ้าถ้าไม่ได้ฟังนี่จะตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ได้ 3 นี่แหละนะแล <c oughs> 3 นี่แหละนะจึงต้องแสดงธรรมแก่ ฟังแล้วรู้สึกว่าธรรมะนี้มันเป็นมันใช่นะทําจิตใจเราให้ดีขึ้นอืมทีพอพอ ให้ประจานมันครบหมดแล้วนะคุณโยมสิพิจารณา 4 เอาละที คุณเคยติดเคยใช่ค่ะอ่าซึ่งเราเอาออกเองได้ยากมากเนื่องจากว่าตาเราปิด คือคือถ้าถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเส้นผมบางภูเขา แล้วก็นึกถึงคนที่มีทุรินอยู่ดวงใต้แต่น้อยที่ตอนนั้นพระองค์เป็นโพธิสัตว์ไปเรียนความรู้อยู่นั้นก็คืออุตตกะผู้รามบุตร 2 คนนี้เป็น 7 วันที่ นางเทวดามาบอกก็ไม่ได้เชื่อเลยก็ตรวจสอบๆแม่ อาเป็นข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งทําไมพุชะไม่ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็แสดง นะไม่มีรูปไม่มีตา 5 รูปนะปัญจวัคคีย์ว่างั้นเถอะนะปัญจวัคคีย์ก็เคยอุปถากนะตอนที่ ตำบลขยาแล้วแล้วก็เลยออกเดินทางไปสู่ตําบลพารานสีเมืองพารานสีนั้นคือตอนนั้นก็พิจารณา ตอนที่ยังอยู่ในตําบลขยานี่แหละแล้วตอนที่อุปกาแล้วก็เค้าก็มาถามว่าโอ้ทําไมพฤชามีมีความเอ่อผิวที่เป็นอย่างเราไม่มีใน <Okay. S 1> อาจจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีนะเพื่อที่จะตีธรรมจักรว่าอย่างนั้นอันนี้ตรัสว่าอย่างงี้ เราได้กระนําตีกลองแห่งอมตะค่ะแล้วก็ออกจน 45 ปีว่างั้นค่ะก็เท่ากับว่าเป็นเป็นเมือง อ่าตัดสินใจที่จะสอนใช่เราจึงได้มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะของพระค่ะค่ะกราบอ่าพระ กุลบทได้ไปพบเห็นแล้วจะเกิดความสลดสังเวชหนึ่งในนั้นก็คือสถานที่ตรัสรู้ที่คยานี้ตำแหน่งพุทธคยานะคะที่มีการได้ ในขณะที่พระพุทธองค์ออก